ครูคนนี้เรารักมากใช่ไหมครูคนนี้เราเห็นหน้าเราก็เอียนแล้วเคยรู้สึกไหมมีไหมมีไหมสารภาพมาอห <c oughs> ลวงพ่อก็เป็น <c oughs> เราเรียนบางวิชานะวิชานี้เราชอบนะเราก็ชอบวิชานี้เราชอบนะัเราปล่อยชอบครูไปด้วยวิชานี้เราเกลียดนะเราไม่อยากเห็นหน้าครูไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะบางวิชา ท, ท, ทั้งที่เราชอบนะแต่ถ้อาจารย์คนนี้มาสอนนะเราไม่ชอบเลย จูจีจ้จุกจิกขี้บนนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอะไรๆ ไ, ไม่ดีเราโทษคอ่อนเดไว้ก่อนพพวกเราต้องรู้สึกว่าตัวเราดีไว้ก่อ น, น <c oughs> ขนาดใจของเรานะเห็นคนสองคนใจเรายังไม่เท่ากันเลยะไม่ใจเราเนี่ยไม่ได้มีความเที่ยงธรรมจริงหรอกเห็นคนนี้เราก็ชอบเห็นคนนี้เราก็เกลียดยนะกรรมฐานในการดูจิตดูใจนะพูดง่ายๆเรียกว่ากรรมฐาน ว, วัดใจวัดใจตัวเองไปได้นยะ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 เคยใช่ไหมผู้หญิงรู้ไว้นะผู้ชายขี้อิจฉาเยอะนะ <G ül> ไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่อิจฉานะผู้ชายชอบไปโทษว่าผู้หญิงขี้อิจฉาเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะผู้ชายแต่ขี้อิจฉาแต่ผู้หญิงขี้อิจฉามากกว่า <G ül> อย่างเราหัดภาวนานะพอใจเราอิจฉาขึ้นมานะเราก็เห็นว่อมันกําลังอิจฉาอยูนะ่เคยกลัวไหมกลัว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 เห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนไหมได้ยินว่าหลวงพ่อจะตรวจการบ้านเท่านนะโอ้ยเครียดแล้วอย่างต้องนะไม่ใช่เครียดอย่างเดียวต้องสักชักไสเห็นไหมส้มรู้สึกไหมชักแย่แยเห็นไหมคนไทยมีความรู้สึกเยอะนะแยแยอย่างนี้จะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากตายชักเลยมีบางคนพยายามจะมาแปลเทศที่หลวงพ่อเทศนะไม่แน่จริงหลองแปลไม่ไหวหรอกนะเรามีศัพท์ซึ้งโอ้